สิกขาบทที่4ภิกษุณีบวชให้สิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแล้วแต่สงยังมิได้สมมุติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังบวชให้ต้องอาบัาบตออบทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี